ท่านสาธุดยชนพุทธบริษัทหลายต่อที่นี้ไปอาตมาจะขอนำปฏิบทาเพื่อปฏิบัติเพื่อสมาบัติแปดมากล่าวกับบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายต่อสำหรับสมาบัติแปดเริ่มต้นว่าด้วยปทวีกาสิน เข้าใจว่าปัญดาท่านพุทธสาวสนิกชนไหลจะมีความรู้สึกว่าการแนะนำนี่ดุเกินไปแต่ความจริงเขาได้โปรดทาบว่าการเจริญระกรรมฐานในพระพุทธศาสนานี่มีสี่ระดับด้วยกันคือหนึ่งระดับสุขวิปัสสโกแบบนี้ทำแบบส บ, สบายไม่มีอาการเคร่งเครียด แต่ก็เป็นผลดีในการที่จะเข้าถึงมรรคผลได้ง่ายตั้งแต่เทวีโชชลพิญโยปริสัมพิทัพปโตสามระดับนี้จะทำกันแบบสบายๆไม่ได้ก็ต้องว่ากันเคร่งเครียดถ้าจะพูดกันไปตามความจริงแล้วการเจริญสมาบัตปแปดก็อยู่ในขั้นของการเจริญเทวีโชนั่นเอง อารมณ์เครีนี้ยังไม่มากแต่หากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทไปเจริญไดั่งกระสินสิเพื่อธรรมปัญญาสมาบัติจะหนักกว่านี้มากเนั้นปฏิบัติธรรมที่ทำเพื่อสมาบัติแปดก็มีอาการไม่ต่างกับทำเพื่อวิชาสามเพื่อสมาบัติแปดทำเพื่อปริสมิทายาน ตเต้นว่าจะมาพูดรู้สึกว่าจะให้เร่งรัดให้เร่งเสียดมากเกินไปทำหนักก็นมากเกินไปเขาเขาโปรดทราบว่าพระอรหันต์ปริสมิธายานั้นเป็นพระอรหันต์ขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาในด้านที่มีความสามารถสำหรับการตัดกิเลส ระหังขั้นสุขวิปัสสโกทีวีโชชลพิญโยปฏิสมิทัพปโตย่อมตัดกิเลสได้เสมอกันมีความบริสุทธิ์ผุดพองเสมอกันแต่ทตั ว, วความรู้พิเศษหรือความสามารถพิเศษนั้นขั้นวิชาสามมีความรู้พิเศษดีกว่าสุขวิปัสสโกอภิญญาหกมีความสามารถดีกว่าวิชาสาม ปฏิสัมพทธประตปิทัพประตหรือว่าปฏิสัมมิทายานย่อมมีความรู้พิเศษความสามารถพิเศษคลมทั้งหมดแล้วก็ทรงพระไตรวิฎกคือมีความรอบรู้ในพระไตรปิฎกเพะนั้นแต่ว่าการฝึกจริงๆในพิญญาหกฝึกหนักกว่ามากที น, นี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องที่จะปฏิบัติต่อไป ในตอนที่แล้วได้พูดมาถึงอกหันนิมิตอกหันนิมิตที่ผ่านมาเนรู้สึกว่าเป็นอกหันิมิตเบื้องตน้นยังไม่ใช่อกหันนิมิตหนักเมื่ออกหันนิมิตปรากฏถ้าพูดถึงด้านกาลังสมาธิเขาเรียกว่าอุปจาระสมาธิแต่ถ้าพูดถึงฌานก็เรียกว่าอุปจารฌาน อันนี้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเข้าใจไว้ด้วยเพรเดี๋ยวใครเข้ามาพูดเึ่งเข้าจะเกิดความไม่เข้าใจว่าอกาหานนิมิตถ้าเรเป็นชานได้ยังไงก็ต้องตอบว่าเรียกอุปจาระชานถ้าเรียกเป็นนิมิตได้ยังไงก็ต้องตอบว่าเรียกอุปจาระนิมิตสำหรับอาการที่จะเข้าถึงอุปจาระนิมิตอุปจาระชานหรืออกาหานนิมิตนี้ มีอาการมากอยู่่างนั้นขอบันดาท่านทั้งหลายที่จะปฏิบัติเพื่อสมาบัติแปดสำหรับกบสินกองนี้ทุกกองไหนก็ตามเหมือนกันหมดอาการจะมีการเหมือนกันหมดเรื่องของกสิลก็ทราบอยู่แล้วว่าเนื่องโดยฤทธิ์และเนื่องโดยกำลังจิตสงูงจะต้องมีการกระทบกระทั่งมาก ในเมื่อจิตเข้าถึงอกหารนิมิตเบื้องตน้นคือเริ่มมีสีขาวน้อยๆดินเป็นสีอรุณแต่ว่าดินกัลับกลายเป็นสีขาวน้อยๆขึ้นมาเราจะสามารถบังคับให้ใหญ่ก็ได้บังคับให้เล็กก็ได้นี่เป็นอกหานนิมิตน้อยๆ อ, อันนี้เมื่อสมาธิดีขึ้น ความจริงภาพนิมิตเ ก, กสินนี่ก็เป็นการวัดภาพสมาธิของจิตนั่นเองไม่มีอะไรเหนือนอกไปจากนั้นเราจะรู้ได้ว่าจิตของเรามีสมาธิมากหรือน้อยเพียงใดอยู่ที่ภาพนิมิตของกกสินถ้าสมาธิดีขึ้นภาพนิมิตก็จะมีขาวขาวมากขึ้นใสามากขึ้นตามลำดับจนกระทั่งขาวหมดตัว ้หาหมดตัวมองแลดูเป็นแท่งทึบเราจะบังคับให้ใหญ่ก็ได้บังคับให้เล็กก็ได้ธา ร, รมธิยาใสจะให้สูงหรือจะให้ต่ายัางไงก็ได้ทั้งหมดจะอยู่ข้างหน้าก็ได้จะให้อ ย, อยู่ข้างหลังก็ได้เมื่อการฝึกกสินต้องฝึกกันแบบจริงจังจะไปนั่งอยู่ที่ไหนก็ตามจะไปนอนอยู่ที่ไหนก็ตามจะไปอยู่ที่คนมากจะไปอยู่ที่คนน้อยอยู่ที่ไม่ไม่มีคนเลย มีเสียงเจาแจกจอยแจหรือว่าเดินไปทไหนมาทางไหนก็ตามในกลุ่มหมู่คนมากก็ไม่มีหมู่คนเลยต้องมีใจเสมอกันคำว่ามีใจเสมอกันก็หมายความว่าสามารถจะจับเอาภาพกระสินขึ้นมาเมื่อไรก็ได้นึกขึ้นมาปับภาพกระสินปรากฏนี่ความคล่องต้องอยู่ในระดับนี้แล้วท่านจะมาแก้ตัว แปลว่าเวลานี้กําลังป่วยไข้ไม่สบายมันอืดมันเสียดมันหนัก ม, มันปวดท้องหนักปวดหัวหนักปวดขาหนักร้อนจัดไข้สัน่นจะบอกว่าจับภาพกรสินในเวลานั้นไม่ได้เพราะว่าอาการของกายไม่ดีตอบอยี่ยนนี้ไม่ได้จะต้องตอบได้ว่าไม่ว่าอาการอย่างใดมันจะมีกว่ากับกายทั้งหมดถ้าเราต้องการภาพกรสินเมื่อะไรจะปรากฏทันที ที่ความคล่องของกสิณต้องถึงระดับนี้ยิ่งจะใช้ได้ <c oughs> แล้วถ้าคล่องถึงระดับนี้แล้วเราจะฝึกแบบวเทิโชวิชาสามสร้างทิพยุกขยานเราก็ทำได้ <c oughs> าการสร้างทิพยุกขยานก็ได้ยานแปดอย่างคือทิพยุกขยานหนึ่งจตูปปาติยานเจตูปริ ย, ยาน อภเพนิวาส า, านุสติญาณอตีตงังสิญาณอนาาานาคตังสิญาณปัจจุปนงังสิญาณและยะถากรรมโตายานตอนนี้เราสามารถจะฝึกกันระยะนี้แหละสําหรับทิพยคุยญาณเป็นต้นแต่ว่านี่ท่านต้องการปริสมิทายานก็จะขอเว้นไว้ถ้าอยาแย่ทราบเรื่องทิพยคุยญาณวิชาสามอวิญญาหกก็ไปดูในด้านวิชาสามและอวิญญาหก เมื่อสมาธิเข้าถึงจุดนี้ท่านทั้งหลายฟังเรื่องราวของพระคานุจิริยะสมาแล้วก็จงเอาปฏิบัาินั้นมาปปฏิบัติคือคำว่าตายคำว่าไม่สบายคำว่าลำบากเรื่อ ง, องชีวิตเราจะไม่ต้องคิดถึง มีอารมณ์คิดอยู่อย่างเดียวว่าถ้าเราจะส่งความดีแล้วมันจะตายไปเส้นเวลานี้ก็เชิญเรื่องชีวิตเรื่องความตายเรื่องอันตรายเราจะถือว่ามีความไม่สำคัญความสำคัญมีอยู่ว่าการส่งกระสินเท่านั้นถ้าเราสามารถส่งกระสินได้เป็นความดีของเรา แล้ถ้าตายไปเวลานี้อย่างเร็วที่สุดเราก็ดีกว่าปัจจุบันอย่างน้อยดีสุดเราเป็นเทวดาหรือถ้าเกสินเป็นชาตสมาบัตเราก็เป็นพรหมมาช่วงนี้เป็นช่วงสําคัญที่จมีอาการต่างๆเกิดขึ้นธรรดาท่านทั้งหลายเพราะว่าเกสินเป็นเรื่องเป็นสมาธิมีกําลังใหญ่ มางอาการทางกายอยากมีอาการแปลกๆอย่างหนึ่งอยู่ๆก็ขน ล, ลุกสู้สาขนพองสยองกล้าวคล้ายๆกับกลัวอะไรอย่างหนัก <c oughs> อย่างนี้ก็ดีบางทีก็จะมีน้ําตาไหลพรากมัอยากจะไหลก็ไหลนึกพึมภาพกระสิงขึ้นมามันไหลก็ไหลเมื่อนั้นบางทีก็มีอาการกายโยกโครงไปโครงมาโครงหน้าโครงหลังใกล้หัวอยกกระทบกระทบพื้น หรือมีอาการหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนเร็วพรืดเหมือนกับลูกข่งแต่จับจิตยังจับอยู่ในภาพกระสินเป็นปกติบางทีก็มีอาการสั่นคล้ายกับปกพระบ้างมีตัวลอยขึ้นไปบริอากาศบ้างบางคราวก็มีอาการสู้ซาเหมือนกับตัวโปร่งตัวใหญ่หน้าใหญ่แต่ข้างในเบารู้สึกว่าภายในร่างกายจะไม่มีอะไรเลย อาการอย่างนี้เกิดขึ้นกับท่านถือว่าเป็นเรื่องปกติตรวมความว่าอาการทางกายมันจะมีอะไรก็ช่างเราไม่สนใจสนใจอย่างเดียวคือภาพกระสินอาการที่มันเกิดขึ้นอย่าไปสนใจจนคิดว่ามันจะตายก็เชิญตายเรื่องชีวิตไม่มีความหมายจะตายเมื่อไรก็เป็นเป็นของเล็กสำหรับเรา ของเล็กกะ็ะเพาะอะไรเพราะว่าเราไม่มีความห่วงใยในชีวิตต้องการห่วงใยอย่างเดียวคือความดีตอนนี้ต้องจําให้ดีจําแล้วก็เอาไปประพฤติปฏิบัตินี่ก็อย่ามาถามต่อไปว่าการทางกายมันเป็นอย่างนั้นไงกายทางกายไปอย่างนี้เป็นยังไงอย่ า, อ ย, าอย่าถามต่อไปเพราะว่าการฝึกเพื่อความดีในระดับเข้มแข็งไม่ได้ก็าจมาฐานนี่ เราดูในพระสูตรพระพุทธเจา้าเม่ได้สอนมากทรงสอนเล็กน้อยเท่านั้นแ้ะเขาก็ทำกันจนได้ผลเหมือนกับพระลูกชายในช่างทองพระพุทธเจ้าทรงแนะนำนิดเดียวว่าจงนำดอกโบวสีแดงนี้ไปปักเข้าที่กองทรายแล้วก็ลืมตาดูดอกบว์หลับตาจําดอกโบวนึกภาพดอกโบวเพียงเท่านี้ ท่านก็ไปปฏิบัติจนทั่งมีผลไม่มีใคร ก, กลับมาถามพระพุทธเจ้าอีกรู้ว่าหลายท่านด้วยกันอย่างท่านทานุรู้จิริยะท่านนี้ก็เหมือนกันท่ก็โทษท่านพาหิยะนะชื่อนี้ก็จะบอกผิดไปตนต้นว่าท่านพาหิยะชื่อเดิมของท่าน ท่านรับคําสอนจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พียงว่าเจ้าเห็นรูปจงมีความรู้สึกว่าเพียงแต่การเห็นรูปเท่านั้นเท่านี้เองท่านก็บรรลุมรรคผลเพราะว่าท่านมาได้ฟังเปล่าใช้ปัญญาด้วยและท่านองค์นี้ก็มีความรู้สึกในชีวิตจุดเสมอว่าช่วงเวลาครู่เดียวเท่านั้นที่พระให้คอยพระพุทธเจ้า เมื่อเวลานี้พระพุทธเจ้ากำลังไปบินาบาตคอยครู่หนึ่งพระองค์ก็เสด็จกลับท่านจะได้พบแต่ว่าท่านกลับตอบว่าข้าพเจ้ากับผมไม่ทราบว่าชีวิตของข้าขอผมก็ดีชีวิตขององค์สมเด็จระชินสีก็ดีจะต้องตายลงไปนระหว่างที่คอยอยู่นี้หรือไม่เป็นอันว่าท่านมีความอะไรในความดีมากกว่าอะไรในชีวิต จึงได้ติดตามองค์สมเะต ร, รรมามิตรไปในสถานที่บินบาตไปถึงกราบแล้วก็กอดเท้าไว้แน่น <c oughs> ขอพระองค์ทรงสแสดงรรมเทศนาพระพุทธเจ้าทรงยับยั้งเพราะกําลังปีติเขาแก่กลาเกินไปจีงสามวาระจรึงได้ตัดธรรมเทศนาว่าภาหิยะเธอเมื่อเห็นรูปแล้วจงเป็นด้เพียงศักตว์เห็น เ, เท่านี้เขาท่านก็บรรลุมรผลเป็นอันว่านักปฏิบัติพระธรรมาฐานจริงๆเขาเอาตามคำแนะนำของครูบาอาจารย์แล้วก็ใช้ปัญญาด้วยคราวนี้เรามาพูดกันต่อไปว่าการที่มันจะปรากฏกับจิตอีกนั่นก็คือภาพแสงสีต่างๆในขณะที่จเจริญกสิณ ถ้ามีภาพแสงสีใดๆที่ปรากฏมานอกเหนือจากกสินที่เราต้องการนี่ก็สินอะไรก็ช่างเราต้องการกสินอะไรอยู่ภาพอื่นปรากฏขึ้นมาเราจะปฏิเสธทันทีไม่ยอมรับนับถือภาพนั้นๆถ้าไปยอมรับนับถือเข้าก็แสดงว่ากําลังใจของท่านไม่ทรงตัว ท่านไร้สัจจะในการทรงกำลังใจเพราะว่าภาพที่ปรากฏท่านเรียกว่ากสินโทษเพราะว่าเป็นกระสินที่ปรากฏอาการหลอกหลอนนี่ยางหนึ่งจงจำไว้ <c oughs> ในเบร์การต่อไปภาพอีกอันหนึ่งจะคือภาพที่มีความสวยสดงดงามจะเป็นภาพคนจะเป็นภาพสัตว์จะเป็นภาพวัตถุก็าตาม ถ้าปรากฏขึ้นจงอย่าสนใจในโรงความไม่สนใจอะไรทั้งหมดนี่มีอาการนันหนึ่งบางท่านพบได้แต่แสดงาการโหดร้ายของคนที่มาแสดงตนให้ปรากฏมามากคนบ้างมาน้อยคนบ้างทําท่าจะบีบคอบ้างทําท่าจะฆ่าบ้างแสดงาการหลอกหลอนบ้างท่านก็เฉยเสีย ถือว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตายก็เชิญถ้าเราตายลงไปเวลานี้อย่างเร็วเราก็เป็นทวดาอย่างดีขึ้นไปเราก็เป็นพรหมแน่จงอย่าลืมนะอาตมาอธิบายกระสินมานีคั่ววิปัสนาไปด้วยความจริงไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งใจจะคั่ววิปัสนาญาณแต่เรื่องมันลงไปด้วย แต่ตอนไหนเป็นมีบัสนนา ย, ยังจะมาอธิบายหรือว่าไม่สำคัญอะไรนะักทีนี้ในการต่อมาปรากฏว่าจิตของเรามีความมั่นคงมากขึ้นเมื่อความมั่นคงดีขึ้นนี่ก็แสงของกสิ น, นีภาพของกสิณก็มีความแจ่มใสมากขึ้นเป็นของธรรมดา เมื่อภาพของกสิณมีความแจ่มใสมากขึ้นจิตก็จะมีการทรงตัวมากขึ้นเมื่อจิตมีการทรงตัวมากขึ้นอารมณ์สมาธิก็ดีกว่าตอนนี้ภาพของกสิณแทนที่จะเป็นภาพสีขาวจะมีควายสีขาวแท่งทึบใหญ่โตเห็นชัดเจนแจ่มใสมีการคล่องอยู่ในอารมณ์ ตอนนี้กำลังจิตมีความสุขมากตอนรมัดระวังอีกตอนหนึ่งในช่วงที่จิตมีความสุขมากนี่บางทีเราจะเพลินเกินไปเพราะเริ่มจับภาพกสินมาเลยทีย่ก็ท่งตัวเมื่อท่งตัวแล้วมีความสุขสันทั n s a อย่างไม่เคยปรากฏมาในการก่อนมาระยะนี้แหละที่เขาบอกว่าต้องมีครูบาอาจารย์คอยแนะนำ เมืว่าเวลานี้เรามีเสียงแล้วนี่ไม่ต้องไปนำนั่นไม่ต้องไปสอนกันที่บ้านสงสัยขึ้นมาเมื่อไรก็เปิดเสียงฟังได้ทันทีเมื่อการจิตทึงตอนนี้การเจริญสมาธิจิตการทรงภาพกับสิ่งเราจะใช้เวลานานเท่าไหร่ก็ได้ตามอธิญญาสายของเราเรื่องการทรงเวลานานา น, นี้จำเป็นต้องฝึก ฝึกให้คล่องตั้งแต่สิบนาทียี่สิบนาทีสามสิบนาทีหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงแต่เมื่อจะฝึกตั้งเวลาก็ควรกาหนดเวลาไว้อย่าให้มากเกินไปเพราะาร่างกายของเรานี้ต้องการมีการพักผ่อนถ้าทําเครื่เกินไปทํามากเกินไปตอนนี้และบรรดาท่านทั้งหลายที่ท่ากล่าวก็ไม่บอกว่า คนที่ไปโรคกสิณเทียนแตกแล้วก็เป็นบ้าแต่ความจริงเทียนมันไม่ได้แตกเทียนไม่ได้ไม่ทำลายใครกสิณไม่ได้ทำให้คนเป็นคนบ้าเราเองเท่านั้นที่ทำตัวเป็นคนบ้าที่ทำตัวเป็นคนบ้าก็เพราะว่าไม่มีความไม่มีความจำในเรื่องราวของกสิณอย่างปฐวีกสิณ น, นี่ดีไม่ดีเราจะเห็นเป็นผืนแผ่นดินใหญ่เพืือบเต็มอากาศ ลอยมาเพื่อจะทับเรานี่ถ้าหากว่าเรามีความหงอยในร่างกายหงอยในชีวิตเราก็คิดว่านี่ท่าจะไม่ไหวเสียแล้วนี่ตายแล้วเลิกดีไม่ดีก็โดดตึงตังคงครามหนีไปอย่างนี้มันก็บาอย่างบางท่านท่านหนึ่งจเจริญเตโชกสินเมื่อโอกาสนิมิครเตโชกสินปรากฏขึ้น เห็นมันไฟกองใหญ่ซีดโมลุกท่วมเต็มไปทั้งโลกน้ากาศเต็มไปหมดมันล้อมใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีเลิมนึกถึงเรื่องกระสินไปตกใจร้อนเดือยกลัวไฟไม่บ้านไฟไม่บ้านลุกจะโดดหน้าต่างตกต้องมาดีว่าข้างบ้านมีคลองลงน้ำตูลงไปแนวต่อแต่นั้นไปก็ทำกระสินไม่ได้ใจไม่ดี ใ น, นเฉพาะเท่านั้นในเรื่องการเจริญกระสิงก็ตามกรรมฐ า, านเองก็ตามก่อนที่จะเริ่มทาจิตไปสมาธิให้กระทำกำลังจิตคิดไปเสมอ ว, ว่าชีวิตนี้ไม่มีความหมายมันจะอยู่มันจะตายก็เป็นเรื่องของมันไม่เกี่ยวข้องกับเรามันจะตายเมื่อไหร่ก็เชิญให้มันตายไปตามอธัธยาสายัย ต่วภาวะของกสินภาพจะมีอะไรปรากฏขึ้นเป็นเรื่องเล็กสําหรับเรายิ้มเสมอถ้าเขาแสดอาการปรากฏชัดว่าเขาจะทําลายเราจะฆ่าเราเป้าการะสินลอยมาจะทับเราถ้าเกิด เ, เป็นเตโจเติมเป็นเตโชกรสินถ้าภาพเตโชกสินจะเข้ามาไหมคือไฟจะไป็นไหมัวยิ้มได้ยัยยิ้มไม่เสมอว่าถ้าตายเวลานี้เราเป็นพร้อม เรามีความสุขว่านี้มากเลือดเนื้อและร่างกายชีวิตนี้ไม่มีความหมายสำหรับเราเรามีความต้องการอย่างเดียวคือความดีของจิตนีเพียงเท่านี้จิตตั้งไว้อย่างนี้เป็นเองข้าตารมเคยทรงตัวอยู่เรื่องความตายไม่มีความสําคัญเรื่องการตกใจของกสินทียปรากฏมันก็ไม่มี เพราะอะไรท่าทึ่งที่มันปรากฏมันมุ่งทําลายชีวิตมันไม่มุ่งทําลายจิตใจให้การทําลายชีวิตก็หมายความมาทำให้ใจสะเทือนถ้าใจเราเกาะอยู่ถ้าเราไม่สนใจสิอย่างเดียวเห็นภาพการสินลอยมาอาการอย่างใดยอย่างหนึ่งเขาจะฆ่าเขาจะตีเขาจะดา่าเขาจะทำร้าย ภาพสัตว์ใหญ่เดินเข้ามาจงลึกว่าไอ้ในห้องของเรานี่ยิดประตูใส่กรอนมันให้ดีสถานที่ทำอย่าให้มีอะไรเป็นที่สงสัยว่ามีใครจะเข้ามาได้แล้วภาพอย่างนั้นอาการอย่างนั้นสัตว์แบบนั้นมันจะมาจากไหนนอกจากว่าเป็นภาพนิมิตที่เกิดขึ้นด้วยกําลังจิตที่จับภาพกสินนั่นเองที่ตอนนี้สําหรับท่านที่ปฏิบัติ เพื่อสมาบัติแปดจะต้องทรงตัวให้ดีสร้างสร้างความมั่นคงในอารมณ์ของจิตก่อนจะทําหรือว่าไม่ใช่ก่อนจะทำเอาวันทั้งวันให้มีความรู้สึกว่าร่างกายของเราไม่มีความหมายร่างกายของบุคคลอื่นที่เนื่องกับเราไม่มีความหมายทรัพย์สินนั่งหลายในโลกนี้ที่เป็นสมบัติของเราที่พ่อให้แม่ให้จะทําทมันได้ หรือว่าใครเขายกให้ก็ตามไม่มีความหมายสำหรับชีวิตชีวิตเราถ้าตายไปแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีประโยชน์เวลานี้เราไม่มีความห่วงใหญ่ในใดแต่เสียงใดๆเลยแม้แต่ร่างกายและชีวิตคิดไว้เสมอว่าเราจะต้องเอาชนะกสินให้ได้ยังไ ง, ไงก็ตามเราจะทรงสมาบัตแปดให้ได้อย่าลืมนะ พอดีพูดมาเมื่อกี้นี้เป็นวิปัสสนาญาณแต่ก็ควรจะคิดไ้ด้วยเพื่อช่วยให้เรามีประโยชน์มีประโยชน์ในตอนไหนถ้ า, าว่าท่านได้สมาบัตแปดเมื่อไม่เกินเจ็ดวันท่านก็ได้อรหันต์แต่คิดแบบนี้มันลำบากมากนักไหมการคิดไว้แบบนี้การทรงจิตไว้แบบนี้ลำบากไหมพูดตามส่วนแล้วมันก็เป็นกาไร นี่เรามาคุยกันต่อไปเมื่อภาพกระสินปรายกดเป็นแบบนั้นให้ทรงอารมณ์มให้ดีเมื่อภาพกระสินกลับกลายจากสีขาวเป็นสีเปลีกลายพลิกแรวราวรยับบางทียมาเตมอากาศบางทีเฮมิงคอนเล็กบางทีก็เฮมิงคอนใหญ่ เห็นเมงก้อนเล็กเราก็บังคับให้ใหญ่เห็นใหญ่บังคับให้เล็กให้สูงให้ต่ำให้ตามอัติยาศัยตอนนี้ท่านเรียกว่าปฏิภาคคณิมิตรสําหรับปฏิภาคคณิมิตนี่ถ้าเรียกเป็นฌานเรียกว่าปฐมฌานแล้วคำว่าปฏิภาคนิมิตนี่รวมฌานทั้งหมดตั้งแต่ฌานที่หนึ่งถึงฌานที่สี่ในรูปฌานอรันบรรดาท่านบุทตบริษัททุกท่าน เวลาที่จะแนะนำกันมันก็หมดแล้วสำหรับในตอนนี้ก็ข อ, อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแต่ผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี